ภาวนากันดีขึ้นนะที่จริงธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่ลึกซึ้งประณีตถ้่เราค่อยๆศึกษาไปค่อยๆฟังคิดเอาเองไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าคนที่จะรู้ธรรมะได้ด้วยตัวเองต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ก็พระปัิเจ้าพรพุทธเจ้า พวกเราส่วนใหญ่อนุพุท ธ, ธะต้องรู้ตามท่านงั้นเราศึกษาสิ่งที่ท่านสอนถ้าเราเข้าใจสิ่งที่ท่านสอนแล้วลงมือปฏิบัติเนี่ยไม่ยากอะไรเพราะท่านลองผิดลองถูกมานานนะกว่าท่านจะประมวลทำมาออกมาจเป็นเรื่องง่ายๆไปหมดเลยอยู่ที่เราจะเข้าใจหรือเปล่า อย่างเราถ้าเราไม่เข้าใจนะหลวงพ่อเองนะตอนตั้งแต่เด็กนะใจลึกๆมันอยากปฏิบัติก็ไม่รู้นะว่าทําไมต้องปฏิบัติแต่ว่ามันมีนิสัยเจะต้องปฏิบัติพ่อพาไปหาครูบาอาจารย์คจริงครูบาอาจารย์ของพ่อท่านพ่อหลีวัดโศการามตามไปด้วยพาพ่อพาไปท่านเจอท่านบอก ทำไมเพิ่งม า, าป่านนี้โอ้เจ็ดขวบว่ามาป่านนี้เองนะมาก่อนนี้พวกเขาไม่พาไปอะนะก็ท่านสอนหายใจเข้าพูดธหายใจออกโทรนับหนึ่งหายใจเข้าพูดธหายใจออกโทรนับสองนะนับไปถึงสิบอะไรเงี้ยแล้วก็นับเกนะ้าแปดเจ็ดหห้านับถอยหลังไม่เป็นนะนับเลขถอยหลังยังไม่เป็นนะ ถ้านับเราเครียดก็นั่งคิดพ่อนับ 1-10 ถึงไม่ได้นับมันถึง1 0อยเลยแล้วก็เริ่ม1ใหม่มีการแอพ l ลายด้วยนะเพื่อให้เข้ากับตัวเองให้เข้าภาวนาเนี่ยใจมันอยากภาวนาเนี่ยภาวนาเสร็จแล้วมันไม่รู้ทางที่จะไปต่อครูบาอาจารย์อยู่อีก2ปีปีปีสอป้ปก็สิ้นไป ไม่มีครูบาอาจารย์จะบอกต่อไปด้วยตัวเองไม่เป็นก็ทาเท่าที่เคยเรียนจากครูบาอาจารย์หายใจไปด้วยตอนหลังๆก็เลิกนับพอจิตมันสงบนะตอนหลังชำนานขึ้นก็ไม่ต้องมานับหนึ่งสองสามหายใจไปเจญชำนานมากขึ้นต่อไปพุทโธก็หายเลอแต่หายใจมีแต่ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หายใจไปหายใจไปนะลมก็หายกลายเป็นแสง เป็นแสงเอาแสงเป็นเครื่องอยู่นั่นเสร็จแล้วก็ไปไม่เป็นภาวนาไม่เป็นไม่รู้จะเดินปัญญาอย่างไงเนี่ยมันไม่ใช่ภูมริรู้ที่เราจะรู้ด้วยตัวเองเราต้องศึกษาต้องเรียนส่วนใหญ่เวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะคิดถึงการนั่งสมาธิเลยคิดว่าต้องนั่งสมาธิให้จิตนิ่งจิตสงบซะก่อนแล้ววันหนึ่งก็ได้ธรรมะมันคนละเรื่องกัน การนั่งสมาธิสมาธิเราไม่รู้ว่าสมาธิมีสองชนิดนะตรงนี้ที่หลวงพ่อพยายามสอนพวกเรามาตลอดเลยนะว่าสมาธิมันมีสองแบบนะสมาธิที่ไปนั่งเพ่งอารมณ์นิ่งๆอยู่อันเดียวที่เขาทำกันทั่วโลกศาสนาอื่นเขาก็มีสมาธิอย่างนี้เช่นคิดถึงพระเจ้าใจจดจ่ออยู่ครับพระเจ้ารือไปร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไปสวดมนต์ถึงพระเจ้าเนี่ย ใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้าก็ได้สมาธิขึ้นมานันสมาธิที่ใจจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมาธิสาธาระณะที่ไหนก็มีแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของคนปฏิบัตินะทันทีที่คิดเรื่องการปฏิบัติก็คิดแต่เรื่องนั่งสมาธิให้มันนิ่งอย่าว่าแต่พวกเราเลยเจ้าชายสิทธัตถาก็คิดอย่างนั้นนะเจ้าชายสิทธัตถาเมื่อตอนสามขวบนะไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะ นั่งอยู่องค์เดียวท่านก็ลุกขึ้นมาทําอานาปานสติหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวลมหายใจออกยาวก็รู้สึกลมหายใจเข้ายาวก็รู้สึกลมหายใจออกสั้นก็รู้สึกลมหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกลมหายใจระงับไปแล้วก็รู้สึกยังมีคําว่ารู้สึกอยู่ก็มีความรู้สึกตัวอยู่ไม่ทิงความรู้สึกตัว แต่เสร็จแล้วท่านก็ลืมกรรมฐานอันนี้ไปเป็นกรรมฐานที่ท่านสะสมบา ร, รมีมาแก่รอบล้มันผุดขึ้นมาตอนเด็กๆแล้วท่านก็ลืมอันนี้นักกรรมฐานอื่นๆบางคนนะก็ขึ้นมาตอนเด็กๆเหมือนกันแล้วก็จะลืมอย่างบางคนมาเรียนกับหลวงพ่อพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าตอนเด็กๆเคยเป็นมาแล้วแต่ว่าลืมไปนานแล้วนั้นของเก่ามันมีแต่ว่าก็ลืม ตอนเจ้าชายสิทธาออกจากวังไปบวชสิ่งแรกที่ท่านทําก็เหมือนที่พวกเราคิดนั่นแหละต้องไปหาฤาษีไปนั่งสมาธิออกจากวังได้สิ่งแรกที่ทําก็เพื่อนหัดนั่งสมาธินั่นเองแต่มันเป็นสมาธิแบบฤาษีงั้นสมาธิมันมีสองแบบนะสมาธิแบบพระพุทธเจ้ากับสมาธิแบบฤาษีสมาธิแบบฤาษีก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเช่นไปอยู่อารมหายใจแล้วจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจ ไปดูท้องพองยุบนะจิตไหลไปนิ่งอยู่ที่ท้องไม่เคลื่อนไปไหนเลยไปท่องพุทโธพุทโธจิตไปอยู่กับพุทโธไปขยับมือจิตไปอยู่ที่มือไปเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าอะไรย่างเงี้ยไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพ่งนิ่งๆอยู่ในอารมณ์เดียวหรือไปดูความว่างจิตไหลไปอยู่ในความว่างไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งว่างอย่างเดียวเลยนะบางคนบอกตรงนี้ดีเป็นพระละหันนะไม่ไม่มีกิเลสว่างๆไม่มีอะไร จริงๆก็เป็นพบพบหนึ่งเท่านั้นเองที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านคนพบในเวลาไม่กี่วันเลยนะท่านนั่งสมาธิจนกระทั่งว่างไปหมดละไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสัอย่างแล้วท่านก็พบว่าออกจากสมาธิมากิเลสมันก็กลับมาอีกแล้วงั้นสมาธิที่จิตไปน้อมนะนิ่งไปอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยมีประโยชน์ในแง่เอาไว้พักผ่อนจิตใจให้มีเรื่อมีแรงเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้ทําให้เกิดปัญญา บุคคลจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการทำจิตให้นิ่งปัญญาไม่ได้เกิดจากจิตที่นิ่งแต่ปัญญามันเกิดจากจิตมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะแล้วมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาถึงจะเกิดปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี่แหละ ความจริงของรูปนามกายใจที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเราก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังหมายถึงว่าของเคยมีแล้วมันก็ไม่มีของเคยไม่มีเกิดมีขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกเป็นอนิจจังเหมือนกันของมันไม่มีของมีมันหายไปแล้วของที่กำลังมีอยู่เนี่ยถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัวนี่เรียกว่าทุกขงัง เช่นเราอยู่ในอิริยาบถนั่งเนี่ยอิริยาบถนั่งก็ถูกบีบคั้นนะด้วยความทุกข์เพื่อให้สลายตัวไปเรานั่งต่อไปไม่ได้เราต้องลุกขึ้นเดินนะหรือลงไปนอนต้องเปลี่ยนอิริยาบถขยับไปขยับมาคําว่าทุกขังเนี่ยมัคือมันบีบคั้นนะอนิจจ์เนี่ยหมายถึงว่าสิ่งซึ่งมันมีอยู่แล้วมันก็หายไปนะมันไม่มีมเกิดกลายเป็นไม่มีทุกขังก็คือสิ่งที่กําลังมีอยู่เนี่ยถูกบีบคั้นเพื่อให้หายไป คำว่าอนัตตาหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายจะมีนะก็เพราะมีเหตุตั้งอยู่นะด้วยกําลังของเหตุพอหมดเหตุมันก็ดับไปมันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสัง่งเราไม่มีอํานาจสัง่งอย่างเราสั่งให้จิตใจมีสติเราสั่งไม่ได้เราสั่งจิตใจให้มีความสุขเราสั่งไม่ได้เราสั่งจิตใจว่าอย่าชัา่วเราสั่งไม่ได้เราสั่งจิตใจว่าอย่าคิดเราสั่งไม่ได้อย่างบางคนอกหักนะกลุ้มใจ เพื่อนก็มาปลอบบอกอย่าไปคิดเลยอย่าไปคิดถึงอดีตนะเราก็รู้อยู่กับปัจจุบันอย่าไปคิดอดีตถามว่าทำได้ไหมอย่าไปคิดทําไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาจิตจะคิดห้ามมันไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตาเนี่ยหมายถึงสิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเราไม่มีอำนาจครอบงำควบคุมเขาได้อย่างเด็ดขาด เนี่ยถ้าความจริงถ้าเราได้เห็นความจริงของรูปนามกายใจว่าเขาไม่เที่ยงมีแล้วก็หายไปเขาเป็นทุกข์เขาถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัวเขาเป็นอนัตตาคือเขาเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามใจเราถ้าเห็นได้อย่างนี้นะเรียกว่ามีปัญญาถ้ามีปัญญาจิตจะเบื่อหน่ายเราจะเห็นความจริงเลยกายใจนิหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้โลกนี้ไม่มีสาระแก่นสารอะไรไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้เลยในโลกนี้นะ ใจจะสลัดคืนโลกไปใจสลัดไม่ยึดกายคืนกายให้โลกไม่ยึดจิตคืนจิตให้โลกไปจิตเทือเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมแท้จิตแท้ธรรมแท้สัมผัสกันตรงนั้นเราจะมีที่พึ่งใหม่ที่พึ่องอันนี้จะไม่มีความแปรปรวนอีกแล้วจิตที่เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้ น, นะจะเป็นอันเดียวกับพระพุทธเจ้าจะเป็นอันเดียวกับพระธรรมจิตที่เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั่นแหละคือตัวพระสงฆ์ตัวจริงนะ เนี่ยเราถ้าค่อยภาวนานะจนกระทั่งมันมีปัญญาขึ้นมาเห็นความจริงของรูปนามกายใจฉีดก็หมดความยึดถือในรูปนามกายใจอยู่ๆจะไปทิ้งความยึดถือกายยึดถือใจไม่ได้บางคนพูดมักง่ายนะว่าอย่าไปยึดมันอย่าไปยึดกายอย่าไปยึดใจอย่าไปยึดอะไรเลย น, น้อมใจให้ว่างเอาน้อมใจให้ว่างก็คือยึดความว่างอีกแหละะก็ยังยังยึดอยู่ดีแหลนะ เราจะไม่ยึดด้วยการสั่งให้ไม่ยึดเนี่ยไม่ได้มันไม่ยึดเนี่ยจิตมันไม่ยึดของมันเองมีพระสูตรอยู่สูตรหนึ่งนะชื่ออาจจายิกสูตรนในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าชาวนาเนี่ยมีกิจ3อย่างมีงาน3อย่าง 1. มีงานไปไถนานข้อ2ไถนาเสร็จแล้วก็ไปหวานข้าวข้อ3ไปควบคุมระดับน้ํา น้ำมากไปเอาออกน้ำน้อยไปเอาเข้านะเลี้ยงต้นข้าวไปเอยนะถ้าสมัยใหม่ก็มีมากกว่านั้นนะต้องใส่ปุ๋ยใส่ยาฆ่ า, มาแมลงมีมากกว่ากิจกรรมสมัยโบราณสมัยพุทธกาลนะชาวนามีงานสาอย่างนะคือไปไถนาไปหวานข้าวแล้วก็ไปควบคุมระดับน้ำให้พอดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพอถึงเวลาเนี่ยต้นข้าวมันจะออกรวงของมันเองชาวนาสั่งให้ต้นข้าวออกรวงไม่ได้ แต่ชาวนาทำกิจกรรมสมอย่างนะเพื่ออํำนวยให้ต้นข้าวออกรวงแล้วท่านก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายคําว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยรวมถึงนักปฏิบัติพวกเราด้วยนะคารวาสทั้งหลายด้วยคือคนที่ปรารถนาความพ้นทุกข์ปรารถนาจะได้มากผล น, นิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดทุรนทุรายอยู่ในกองทุกข์อีกนะีท่านก็บอกว่าเราก็มีงานสมอย่างก็คือการ ศึกษาเรื่องศีลเรีศีละศิกขาศึกษาเรื่องจิตชื่อจิตตศิกคาศึกษาเรื่องการเจริญปัญญาเรียกปัญญาศิกคาถ้าหากเราหล่อเลี้ยงจิตใจเราด้วยการศึกษาเรื่องศีลศึกษาจิตนะแล้วก็ศึกษาในการเจริญปัญญาถึงเวลาแล้วจิตจะบรรลุมรรคผลเองนะงั้นมรรคผลนิพพานเนี่ย มรรคผลเนี่ยเราสั่งให้เกิดไม่ได้นะไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลได้นะจิตบรรลุมรรคผลของจิตเองแต่ว่าอยู่ๆจะบรรลุเองได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมีเหตุเหตุก็คือเราต้องศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องการเจริญปัญญานี่ถ้าพวกเราพูดมักง่ายเราก็บอกว่าเราต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอันนี้พูดมรรคง่ายหน่อยศีลสมาธิปัญญาเป็นผลผลของอะไร ผลของศีลสิกขาผลของจิตสิกขาผลของปัญญาสิกขาต้องเรียนนะหลวงพ่อถึงบอกว่าพวกเราต้องเรียนอย่างเรื่องศีลไม่ใช่ศีลอยู่ๆเดินไปหาพระเจอพระที่ไหนก็ขอเลยนะวิสุงวิสุงลัคนาถายะติสรลเนนัสหะปัญจศีลานิยาจมะโอ้ยสวยดคล่องมากเลยนะพอพระให้ศีลเสร็จแล้วก็ทอดทิ้งศีลอย่างรวดเร็วเลยอย่างเวลาพระเเทศ อย้ะเว้นหลวงพ่อนะหลวงพ่อเทศเนี่ยคนไม่ค่อยกล้าทําผิดศีลพระจํานวนมากเลยเวลาท่านจะเทศเนะก็ขอศีลก่อนพอขอศีลเสร็จพอพระเริ่มตั้งน้ำโมเริ่มเทศนะโยมก็เทศแข่งกับพระเลยนี่ศีลดังพลอยแล้วเรียกว่านะพูดเพอเจอร์นะพูดเพอเจอร์ศีลดังพลอยแล้วนะการถือศีลเนี่ยไม่ใช่ไปขอ การที่เราไปบอกกับพระเนี่ยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาไม่รู้ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างเขาก็ต้องไปถามพร ะ, ะแล้วก็ปฏิญาณตัวว่าจะรักษาศีลห้าพวกเราตอนนี้รู้จกักศีลห้าอยู่แล้วนะถ้าเราจะไปเจอพระเราก็ไปบอกท่านว่าผมจะถือศีลห้าก็คล้ายๆการปฏิญาณตัวกับพระถ้าจะผิดศีลจะได้ละอายใจบ้างแต่ไม่ใช่ไปขอศีลที่พระนะถ้าพระถูกโยม10คนขอศีลศีลหายไป50ข้อแล้วเหลือ น้อยเต็มทีแล้วนะไม่ไไม่ใช่ข อ, อไปหรอกฉะนั้นถ้าเราไม่เจอพระเราตั้งใจศีลเนี่ยอยู่ที่เราตั้งใจที่จะงดเว้นการทำบาปอากุศลทางกายทางวาจา5อย่างถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่จะงดเว้นขนาดนั้นเราอารัฒนาศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยตัวของเราเองนะงั้นทุกวันตื่นนอนมาเราก็ตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลห้า กลางวันก่อนจะไปกินข้าวกลางวันนะเขตั้งใจว่าเราจะรักษาศีล5ก่อนนอนเราก็ตั้งใจรักษาศีลหตั้งใจไปเรื่อยๆวันหนึ่งหลายๆรอบก็ได้เป็นการเตือนตัวเองเป็นการย้ํากับตัวเองว่าเราจะรักษาศีล5เวลาเราจะทําผิดศีลมันจะได้ละอายใจขึ้นมานะมันก็มีอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นการถือศีลอย่างหยาบการถือศีลที่ละเอียดขึ้นไปนะถือง่ายกว่านี้ถืออย่างหยาบเนี่ยต้องคอยควบคุมกายควบคุมวาจาเนี่ย เหนื่อยมากเลยเพราะว่าจิตมันเร็วอย่างตั้งใจจะไม่พูดเพอเจอเนี่ยเผลอแว บ, บเดียวพูดไปแล้วนะพูดใ้อยช้ๆช้ชพูดไปสามชั่วโมงเพิ่ง น, นึกได้ว่าจะไม่พูดเพอเจอร์อะไรเงี้ยนะมันไม่ทันการถือศีลถ้าจะถือให้สบายนะต้องถือที่จิตมีสติคุ้มครองจิตมีสติรักษาจิตไหมคนทำผิดศีลได้นะเพราะว่ากิเลสครอบงำจิต อย่างความโกรธครอบงําจิตได้นะก็ทําผิดศีลเพราะความโกรธไปฆ่าเขาไปด่าเขาไปตีเขาไปทําลายทรัพย์สินเขาไปแกล้งเป็นชู้กับเมียเขาอะไรนะี่ทำได้ทุกอย่างไปด่าเขาเลยนะหรือคนทําผิดศีลเพราะความโลภอยากมีความโลภเกิดขึ้นก็ไปปล้นไปจี้เขานะก็ทํำลายเขาลักทรัพย์เขานี่ไหมีโลภะเกิดขึ้นไปเป็นชู้กับเขาเขาปลิ้นปล้อนหลอกลวงตลบตะแลงเขา เนี่ยผิดศีลขึ้นมาก็เพราะว่ากิเลสครอบงําจิตทั้งหมดเลยงั้นการที่พวกเรามาศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจให้ดีนะมีประโยชน์มากเราจะถือศีลได้ง่ายลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยถือศีลง่ายนะจะรู้ตัวเลยว่าแต่ก่อนถือศีลยากมาเรียนกับหลวงพ่อสักพักหนึ่งเนี่ยถือศีลง่าย เวลากิเลสเกิดที่ใจเรารู้ทันแล้วจะให้เราทำผิดศีลเนี่ยมันมีหิริโอตตาปะเกิดขึ้นมันมีฮิริคือมันละอายใจที่จะทาชั่วนะมีโอตตาปะก็เกรงกลัวผลของการทำชั่วเพราะเราเฝ้ารู้จิตรู้ใจตัวเองเดืองเดงเนี่ยเรารู้เลยว่าถ้าเราทำชั่วเมื่อไรเนี่จิตเราเศร้าหมองจิตเราไม่มีความสุขเลยมันน่ากลัวความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะสหรับคนที่ดูเป็น งั้เราจะมีฮิรีเมืโ่โอตะปะขึ้นมาเราจะละอายใจที่จะทําชั่วเราจะเกรงกลัวผลของการทําชั่วเพราะเรารู้ถันจิตของเราเนะี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะมีสติรักษาจิตอยู่นะสินอัตโนมัติมันจะเกิดเพราะว่าสติมันจะคุ้มครองรักษาจิตไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วก็วจะทําบาปอากุศลทางกายทางวาจาอะไรไม่ได้นี่บทเรียนที่1 น, นะ บทเรียนที่1นึเนี่ยก็ลงมาจนถึงขนาดว่าให้มีสติรักษาจิตให้มีสติรู้ทันเวลากิเลสเกิดที่จิตคอยรู้ทันไว้เราจะได้ศีลอัตโนมัติขึ้นมานี่เป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราควรจะศึกษาควรจะปฏิบัติเรื่องที่พวกเราศึกษาปฏิบัติเรื่องที่2ก็คือเรื่องของจิตเราจะต้องเรียนเรื่องจิตสิกขานะถ้าจิตสิกขาเนี่ยเราเรียนได้ถูกต้องแล้วเราจะได้สมาธิสองชนิด เราจะรู้ว่าการดําเนินจิตที่แตกต่างกันนั้นจะให้สมาธิที่แตกต่างกันถ้าไม่เรียนเราก็จะได้สมาธิชนิดที่ไปเพ่งตามความเคยชินสมาธิแบบฤาษีชีไพรอย่างเดียวแต่ถ้าเราได้เคยเรียนเรื่องจิตศกขาซะแล้วเนี่ยเราจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตนั่นแหละจะกลายเป็นตัวพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตนั่นแหละ จิตของเราปกติเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะจิตของเราหลงไปในโลกของความคิดทั้งวันทั้งคืนตื่นขึ้นมาก็คิดหลับอยู่ก็คิดเวลาหลับคิดที่เเรียกว่าฝันตื่นขึ้นมานล้วก็ฝันกลางวันนี่เขาเรียกว่าคิดจิตหลงไปอยู่ในความคิดตลอดเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะต้องมาพัฒนาจิตของเราเนี่ยให้กลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันถึงจะสมควรที่ว่าเราเป็นชาวพุทธเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตแบบที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านพบเมื่ออายุ3าขวบนั่นแหละนะแต่ว่าท่านก็ลืมไปนะจนท่านอายุ35เนี่ยท่านถึงลือฟื้นของเก่าขึ้นมาแล้วมาเดินต่อมีจิต ท, ที่ตั้งมั่นแล้วท่านมาเจริญปัญญางั้นเราต้องมาฝึกให้มีจิต ท, ที่ตั้งมัน่นะถ้าเราเรียนเรื่องจิตให้ดีเราจะรู้ว่าสิ่งที่คู่กับจิตคืออารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกจิตรู้ งั้รูปที่เรามองเห็นก็เป็นอารมณ์เสียงที่เราได้ยินสิจะได้ยินทางหูก็เป็นอารมณ์กลิ่นที่เราได้ทางจมูกสัมผัสทางจมูกก็เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ทางจมูกรสต่างๆที่เราสัมผัสด้วยลิ้นก็เป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวที่มากระทบทางร่างกายก็เป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเรื่องราวทางใจต่างๆนานาก็เป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า เนี่ยอารมณ์มันมี6อย่างเป็นของที่คู่กับจิตจิตคือคนที่รู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผทิตภัพธรมม า, ารมทั้งหลายนะจิตเป็นคนรู้อารมณ์สมาธิก็เลยมีสองแบบสมาธิชนิดที่1จิตไปเพ่งนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวไปจ่ออยู่ที่ตัวอารมณ์สมาธิอย่างที่สองจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตไม่ไหลไปที่ตัวอารมณ์ แต่ตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับไว้เนี่ยเราจะต้องมาพัฒนาให้ได้จิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยไม่ได้บังคับไว้หลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตไม่ส่งออกนอกถ้าจิตส่งออกนอกก็คือจิตที่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะจิตที่ไหลไปที่ตัวอารมณ์เพราะฉะั้นอย่างถ้าเราไปดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตออกนอกนะจิตออกนอกและจิตที่ไม่ออกนอกก็คือจิตที่มีสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่น เราสังเกตให้ดีสมาธิที่คนส่วนใหญ่เขาทำเนี่ยคือสมาธิที่น้อมจิตไปอยู่ที่ตัวอารมณ์เช่นไปรู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นสงบอยู่ที่ลมหายใจอันนี้คือสมถกรรมฐานไปพุทโธพุทโธน้อมจิตไปอยู่กับพุทโธไม่หนีไปที่อื่นเลยนะอยู่แต่พุทโธอย่างเดียวอันนี้คือสมถกรรมฐานไปดูท้องพองยุบนะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้อง ไปเพ่งท้องอยู่อารมณ์มันเดียวคือท้องอันนั้นคือสมถะกรรมฐานไปเดินจงกรมนะยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าไม่หนีไปที่อื่นเลยอันนั้นคือสมถะกรรมฐานเพราะฉะั้นถาเมาไหร่จิตไหลไปอยู่ที่ตัวอารมณ์นะแล้วอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะก็เรียกว่าจิตมันทาสมถะกรรมฐานทำความสงบ แต่ถ้ามันไหลไปหาอารมณ์แล้วมันไม่อยู่ในอารมณ์เดียวมันวิ่งไปอารมณ์โน้นทีอารมณ์นีท้ทีวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจสลับไปสลับมาอย่างรวดเร็วอันนั้นเรียกว่าจิตฟุง้งซ่านนะงั้นจิตของคนทั่วไปเนี่ยนะมันจะไหลหฟุ้งซ่านตลอดพอมหัดทำกรรมฐานก็จะไปเพ่งอารมณ์มันเดียวก็จิตไปอยู่ที่อารมณ์อยู่นั่นเองนะเราไม่เคยรู้จักสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตวิธีที่จะฝึกสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเนี่ยให้เรามีสตินี่แหละ ครู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปจิตมันไหลจิตมันจะไหลไปไหนมันไหลไปหาอารมณ์ถ้าไหลไปหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสเปสสป่าก็เรียกว่าจิตมันไปฟุ้งซ่านถ้าไหลไปแล้วไปหยุดนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะก็เรียกว่ามันไปเพ่งอารมณ์ไปติดอารมณ์ไปทำสมถะนิ่งๆเฉยๆอยู่เนี่ยถ้าเรารู้ทันนะจิตที่ไหลไปจะไหลไปคิดหรือไหลไปเพ่งก็ตามทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตไหลเนี่ย จิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติพระจิตที่ไหลไปเป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะนะมีอุทธัจจะเรียกว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านของจิตงั้นถ้าเมื่อไหร่ที่สติระลึกรู้ได้ว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเราจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนี่เป็นของดีของวิเศษเป็นของเฉพาะในพระพุทธศาสนาคนอื่นไม่มีนะสมาธิที่ จิตอยู่กับจิตนี่แหละทําให้จิตของเรากลายเป็นตัวพุทโธขึ้นมาเป็นตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเอาไว้ทำวิปัสสนากรรมฐานและในขณะที่เกิดอริยมรรคในขณะที่เกิดอริยผลในขณะที่พระอริยะบุคคลเข้าผลสมบัติพระสมบัติจะต้องเป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตสมาธิที่จิตไปตั้งอยู่ที่อารมณ์นะก็มีชา้นหนึ่งสองห้าห สมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตก็มีฌานหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท่ากันนะเท่ากันแต่อันนึงเพ่งอารมณ์อันนึงอยู่กับจิตโดยที่ไม่ได้เพ่งเไว้ไม่ได้ควบคุมเอาไว้งั้นเราต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยไม่ได้บังคับไว้ถ้าบังคับไว้เนี่ยตึงเกินไปนะถ้าจิตไหลไปไม่ตั้งมั่นอันนี้เรียกว่าย่อนเกินไปทางสายกลางก็คือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ไหลไป แล้วก็ไม่ได้บังคับเอาไว้นะงั้นไม่เผลอไปไม่เพ่งไวนะ้นั่นแหละคือจิตที่รู้สึกตัวอย่างพวกเราสมัย5ปี10ปีก่อนนะที่เรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกโอ้ตื่นแล้วตื่นแล้วจิตถึงฐานจิตตั้งมั่นบางคนก็ไปบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าได้โสดาคนละเรื่องเลยนะนั่นนั่นได้สมัครทีเองยังไม่ได้เจริญปัญญาเลยน ะ, ะจิตแค่ตั้งมั่นก็พร้อมจะเจริญปัญญาได้จิตของเราถ้าหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราจะไม่เห็นความจริง เพราะความคิดจะปิดบังความจริงไปหมดเลยเช่นเราคิดเวลาคิดที่ไรเราก็คิดเข้าข้างตัวเองไปด้วยนะดูหน้าเราแล้วก็รู้หน้าตาเราก็ดูดีนะพยายามหาจุดที่ดูดีไปนะด้วยนะดูโจ้เจ อ, เ จ, อจนได้ลนะ้อย่างน้อยนะมีตาสวยมีอะไรนิดหน่อยๆนะเข้าข้างตัวเองไปเรื่อยเวลาเราทําชั่วนะเราจะมีคําอธิบายได้ละเอียดละออมากเลยเวลาเราจะทําผิดทำบาปก็รู้สึกไหมเราอธิบายได้ทุกเรื่องเลย แต่เวลาคนอื่นทำอะไรนี่นะเราไม่ฟังคําอธิบายของเขาละเพราะฉะนั้นการที่เราหลงอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยมันทําให้เราเข้าข้างตัวเองเราไม่เห็นความจริงของตัวเองงั้นใจของเราจะต้องตื่นขึ้นมาให้ได้นะวิธีตื่นก็อย่างที่หลวงพ่อบอกนะทำกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพุโทโธไปก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องฟองยุบ ก, ก็ได้ไปเดินจงกรมก็ได้แต่ไม่ได้น้อมจิตให้เป็นิ่งในอารมณ์เดียว พุทโธแล้วก็รู้ทันจิตจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้รู้ลมหายใจแล้วก็รู้ทันจิตนะจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้ดูท้องของยุบแล้วรู้ทันจิตจิตไหลไปคิดแล้วก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้ไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ก็รู้ตรงที่เรารู้ทันจิตเรื่อยๆนี่แหละเรียกว่าจิตตสิกขา สิ่งที่เราได้ขึ้นมาจากการที่เรียนเรื่องจิตอย่างถ่องแท้นะจิตเคลื่อนแเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ในที่สุดจิตตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นนี่แหละเราได้สมาธิที่ถูกต้องที่เราพูดกันว่ามีศีลสมาธิปัญญานีสมาธิที่ถูกต้องถึงจะเจริญปัญญาได้นะเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นไม่ใช่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวดังั้นต้องแยกให้ออกนะถ้ายังไม่ออกเรากี่ปีกี่ชาติเราไม่มีสามารถที่จะเจริญมิปัสสนาได้ ถ้าไม่สามารถจเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้กี่ปีกี่ชาติเราก็ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานหรอกนั้นเรามาฝึกจิตบทเรียนที่2ก็คือฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัตินี้พอจิตตั้งมั่นแล้วบางคนไปรักษาจิตไว้เฉยเฉยรู้ตัวอยู่เฉยเฉยบอกรู้ตัวไปเรื่อยๆแล้วเราจะเกิดมรรคผลนิพพานไม่เกิดหรอกการรู้ตัวอยู่เฉยๆยคือการมีสมาธิ จะต้องเจริญปัญญานะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสมาธิแต่อาศัยสมาธิอาศัยการฝึกจนจิตมันเป็นคนดูได้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันถอดถอนตัวเองออกจากความคิดถอดถอนตัวเองออกจากโลกทั้งหลายนะจากปรากฏการ์ทั้งหลายของรูปธรรมนามธรรมออกมาเป็นคนดูมันก็จะสามารถเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเห็นความจริงของกายของใจได้ นะถ้าจิตไม่ถอดถอนออกจากโลกของความคิดจิตหลงไปไหลไปเนี่ยไม่เห็นความจริงมันจะเข้าข้างตัวเองตลอดเนถ้าใจถอนออกมาปุ๊บเนี่ยเวลาสติระลึกลงที่กายมันจะเห็นทันทีว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่สติระลึกลงไปที่ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์มันจะเห็นทันทีว่าความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา ถ้าจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูอยู่สติะระลึกลงไปที่กิเลสทั้งหลายเช่นความโลภความโกรธความหลงหรือะระลึกลงไปในกุศลทั้งหลายเช่นศรัทธาวิริยะสติปัญญาอะไรต่างๆจะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งที่ดีและที่ชั่วนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปให้จิตรู้เท่านั้นเองนะตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด เดี๋ยวก็ไหลไปทางตาแล้วก็เดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็ไหลไปทางหูเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็ไหลไปคิดแล้วก็รู้สึกเนี่ยจิตเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆถ้าเห็นอย่างนี้ได้ถึงจะเรียกว่าการเจริญปัญญานะเจริญปัญญาไม่ใช่การนั่งคิดเอาอย่างบางคนคิดว่าทําสมาธิพอจิตนิ่งได้ที่แล้วนะออกจากสมาธิแล้วมาคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูณาสุภาษพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูณาสุภาษไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานวิปนะัสสนาไม่ใช่การคิด ถ้าการคิดต้องเป็นวิตกมีปัสสนะแปลว่าการเห็นตามความเป็นจริงงั้นใจเราต้องทําตัวเป็นผู้เห็นให้ได้นะด้วยการฝึกสมาธิที่ถูกต้องมีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยแล้วมีสติระลึกรู้กายรู้ใจไปเราจะเห็นความจริงของกายของใจได้นะถ้าสติเรานะไม่ยอมระลึกนะเอาจะรู้สึกตัวเฉยอย่างเงี้ยปัญญาจะไม่เกิดหรือถ้า จิตไม่ตั้งมั่นนะจะไประลึกรู้ลมหายใจไประลึกรู้ท้องพองยุบไประลึกเท้าจะกลายเป็นสมถะกรรมฐานเพราะจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่เป็นคนดูงั้นเราต้องฝึกให้ได้นะฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูโดยที่ไม่ได้บังคับถ้าบังคับจะเครียดเครียดทำผิดแน่นอนถ้าจิตเครียดนี่ผิดแน่นอนจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ถูกต้องนะจะมีความเบามีละหูตา มีความอ่อนโยนนุ่มนวลเรียกว่ามูทุตานะมีความควรแก่การงานหมายถึงมันมันอะไรไม่ถูกกิเลสหลอกนะมันรู้อะไรได้ซื่อตรงในการรู้นะแล้วมันคล่องแคล่วว่องไวไม่ซึมกระถือซื่อบื้ออยู่ทั้งวันจิตอย่างนั้นทำอะไรไม่ได้จริงไปนั่งสมาธิแล้วก็จิตซื่อบือ้อซื่อบือ้อพวกหนึ่งซื่อบื้อแบบนี้แบบหมดอะไรตายอยากอีกพวกหนึ่งแบบโหดเยี่ยม อย่างเงี้ยโอ้กิเลสไม่กล้ามาเลยนะมองหมาหมาหางหดเลยนะอไม่ได้เรื่องหรอกนะอีกพวกหนึ่งก็เนั่งแล้วก็เคลิ้มหลวงพ่อทําเก่งนะเพราะเล่นสมาธิมาเยอะนะทําให้เคลิ้มก็เคลิมบุ๊คบั๊บบุบบ๊บๆไปเลยไม่ได้เรื่องเลยนะไม่ได้เรื่องเลยต้องตื่นให้ได้ต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้ได้หลวงพ่อเป็นผู้รู้ผู้ตื่นตั้งแต่เป็นโยมนะ หลวงปู่สิม์ใครเคยได้ยินชื่อไหมหลวงปู่สิมพุทธาจารโอท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อนะแต่ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เป็นฉายานะผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ไม่ใช่รู้อะไรมากนะบางคนได้ยินว่าเป็นผู้รู้นึกว่าจะรู้ว่าหวยออกอะไรคนละเรื่องกันผู้รู้คือผู้ไม่หลงนั่นแหละว่าเรารู้ตัวเป็นแล้วไม่รู้อยู่เฉยๆนะให้สติะระลึกรู้กายรู้ใจเหมือนในพระสูตรเนะี่ยท่านจะสอนว่าเมื่อจิตเบาจิตอ่อน จิตตั้งมั่นจิตขวดแก่การงานคล่องแคล่วว่องไวแล้วเนี่ยให้น้มน้อมจิตไปเพื่ อ, อยานทัศนะไม่ใช่ให้รู้ตัวเฉยๆต้องน้มน้อมจิตไปเพื่ อ, อยานทัศนะวิธีน้มน้อมจิตไปเพื่ อ, อยานทัศนนะไม่ได้ส่งจิตไปนะจิตเป็นคนดูอยู่แล้วสตินะเป็นคนคอยะระลึกรู้สติเป็นคนะระลึกรู้ร่างกายจิตเป็นคนดู นะสติหรือระลึก ร, รู้เวทนาคือความสุขทุกข์จิตเป็นคนดูนะสติระลึก ร, รู้กุศลอกุศลจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอย่างนี้แหละเรียกว่าเราโน้มน้อมจิตไปเพื่อให้เกิดยามทัศนะคือการเห็นถูกการเข้าใจถูกคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจนั่นเองเพราะนพวกเราทําอย่างที่หลวงพ่อบอกนะ7วัน7เดือน7ปีภาคเพียรทําไปถ้าไม่ดีเกินไปหรือเรวเกินไปควรจะได้อะไรบ้าง เร็วเกินไปเช่นไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มาแล้วชาตินี้ทําไม่ได้อะไรเงี้ยไปฆ่าพระอาหารหันต์นะถ้าเรายังไม่เคยฆ่าใครนะันเราตัดอนันตริยกรรมไปได้หลายตัวแล้วทำพระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตนี่เราทําไม่ได้เป็นฆราวาสทำสังฆเภทไม่ได้คนที่ทําสังฆเภศได้คือพระงั้นโอกาสที่เราจะทําอนั น, นตริยกรรมเนี้ยนะน้อยกว่าพระนะนะหรือหรือดีเกินไปอย่างพวกปรารถนาพุทธภูมิ นะาพระภาวนานะใจเขาจะวกไปหาความกรุณาสรรพสัตว์แทนที่จะดูรูปดูนามสแสดงใจรักนะดูแ ป, ป, ป, ป, ป, ป, ป๊บๆเนี่ยย้อนไปดูสรรพสัตว์อีกแล้วสงสารมันจะไปช่วยมันอีกแล้วนะพวกนี้ดีเกินไปเลยไม่เกิดมาเกิดผลนะงั้นถ้าจิตของเราไม่ดีเกินไปไม่เล็วเกินไปนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีถ้าเราปฏิบัติให้ถูกควรจะได้อะไรบ้างนะสมัยพุท ธ, ธกาลนะเขาได้พระอรหรันต์ก็ได้พ้าหนักาคากันนะ ของเราเอาให้ได้โสดาก็บุญนักหนาแล้วละ่ะนะอย่าเพิ่งเอาเอามากนะบางคนจะตั้งเป้านะจะทํายังไงจะละกามได้อย่าเพิ่งละกามต้องละสั ก, กยัติทิฏฐิก่อนนะบางคนเนื้อทำไงจะหมดกิเลสโถว่าจะหมดกิเลสก็ต้องเห็นกิเลสก่อนนี่กิเลสสักตัวหนึ่งยังไม่เคยเห็นเลยนะถูกกิเลสจูงจมูกอยู่แล้วจะมาบอกว่าจะละกิเลสอะไรเงี้ยทำปฏิบัติธรรมนะทํามันไปเป็นขั้นเป็นตอนอย่าใจร้อน ค่อยๆฝึกให้เป็นขั้นเป็นตอนถือศีลห้าได้ยังถ้ายังก็ไปถือเสื้อฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวได้หรือยังหรือจิตหลงไปทั้งวันถ้ายังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวซะจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่อยู่กับเนื้อกับตัวมัใช่อยู่อย่างนี้ไม่ได้นะเพี้ยนนะเคร่งเครียดก็อยู่ยังมีความสุข ธรรมะปฏิบัติแล้วนะใจจะเบิกบานใจจะเบาใจจะนุ่มนวลอ่อนโยนมีความสุขนะไม่ใช่ปฏิบัติเราเครียดนะมีความสุขแล้วก็มีความสงบอยู่ด้วยกันคนในโลกเวลามีความสุขมันจะกระดี้กระด้านะไม่สงบหรือเวลาไปทําความสงบเพราะไม่ค่อยมีความสุขแล้วเครียดไปเลยถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะมีความสุขนะมีความสงบนะแต่ร่าเริงมีความสงบแต่ร่าเริง เราค่อยๆฝึกนะแล้วเราจ ะ, จะสัมผัสความสงบที่ราเริงนี้ค่อยฝึกเป็นลําดับลําบักไปแล้วจะมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราเห็นทุกข์เห็นโทษของกายของใจมากขึ้นมากขึ้นนะใจเราจะห่างโลกไปเรื่อยๆยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะเป็นเรื่องอัศ จ, จรรย์จริงๆคนในโลกอยากได้ความสุขแต่หาความสุขไม่เจอวิอ่งไปดูหนังฟังเพลงอยากมีสามีอยากมีภรรญาอยากมีโน่นมีนี่หวังว่าจะมีความสุขไม่มีหรอก เรามาภาวนานะมาดูความจริงของกายของใจไปเร่ยใจจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นไม่มีอะไรเหมือนเลยนะท่านถึงบอกสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มนะีแล้วก็สุขเสมอด้วยพานิพานไม่มีงั้นพานิพานนั่นแหละคือความสงบสุขนะค่อยๆฝึกเอานะพอสมควรแก่เวลากลับสมสัส ก, การครับผ ม, ม่าส่งกันบ้านในรอบหนึ่งปีหกเดือนครับ ตอนนี้จิตตั้งมั่นมากขึ้นแล้วก็ยอมรับความจริงมากขึ้นถูกแล้วครับกาขอจิตถึงฐานไหมขณะเนี้ไม่ไม่ถึงดีครับไม่ถึงนะจิตไม่ถึงฐานจิตมาถึงหลวงพ่อใช่ครับให้เรารู้ทันครับเราเคยได้ยินไหมว่าจิตถึงพระรัตนตรัยจิตถึงพระรัตนตรัยไม่ใช่จิตถึงพระพุทธเจ้าก็ไปคิดถึงพระพุทธเจ้าที่ไหนนะครับคิดถึงพระธรรมก็ไปคิดถึงตู้คำภีร์ คิดถึงพระสงฆ์ก็หลวงพ่อนั้นหลวงปู่นี้จิตที่ถึงพระรัตนตรัยจริงอถึงที่จิตนี่เองครับจะไม่ส่งออกหรอกจิตกับพระรัตนตรัยเป็นอันเดียวกันคถ้าจิตสิ้นกิเลสเมื่อไหร่จิตก็เป็นพระสงฆ์จิตก็สัมผัสพระธรรมเต็มดวงอย่างนั้นจิตได้ทรงธรรมอยู่ถ้าจิตกับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันด้วยอะไรด้วยความบริสุทธิ์นะพระพุทธเจ้ามีปัญญาที่คุณสาวกไม่มีไม่มีขนาดนั้น พระพุทธเจ้ามีพระการูนาที่คุณสาวกมีไม่ถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้ามีบริสุทธิ์ที่คุณสาวกมีบริสุทธิ์ที่คุณยังจะเป็นเนื้อเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์อยู่ที่จิตดวงเดียวนี่เองค่อยฝึกเอานะจิตออกนอกครับขอกันบ้านนี่ไงไปรู้ดานจิตออกนอกขอบคุณครับกับสรัมสการหลวงพ่อครับมันมีความสุขเยอะไปรู้สึกไหมมีความสุขนะจิตมันกระจายไปอยู่กับความสุขนะ ให้รู้ทันนะอย่าติดความสุขนี้นะความสุขนี่ความสุขปลอมความสุขยิ่งกว่านี้ยังมีอีกอเชิญครับมาส่งกันบ้านครับรอบหนึ่งปีครับ <c oughs> ก็ผมเห็นจิตมันดีตัวออกมาจากกายครับออมามสร้าง ม, มันมาสร้างขันห้าเป็นกายละเอียดมองดูระยาบขึ้นขึ้นหน่อยเวลาที่หลวงพ่อพูดจิตกับกายแยกจากกันเนี่ยไม่ต้องถอดกายทิพนะ ไม่จำเป็นต้องถอดใจยีิบหรอกมันเป็นความรู้สึกของเราท่านนว่ากายกับจิตเป็นคนละอนไม่ต้องถอดออกมานะแต่อันนี้มันมันเหมือนมันดีดมันแยกออกเองแต่ถ้าดีดมันชอบโลดโผนก็ช่างมันแต่อย่าพามันไปเที่ยวนะอถ้ามันดีดออกมาแล้วเราอยากรู้อยากเห็นอะไรนั้นมันวิ่งไปเลยมันไปเที่ยวได้นะแล้วอีกสภาวะหนึงครับตอนนอนนอนนอนนอนหลับนะครับเห็นจิตมันคิดครับมีตัวผู้รู้ คอยตาไปจิตที่คิดตัวผู้รู้มันมันยึดนะครับมันยึดจิตมันทุกข์มากเลยครับเห็นไหมว่าใจไม่ชอบตอนนั้นยังไม่เห็นครับแต่ว่าผู้รู้มันเอะใจขึ้นมาได้ครับมันเฮ้ยจิตไม่ใช่เรานี่ยใช่พอมันมันรู้อย่างนี้คือความทุกข์หายไปเลยความสุขเข้ามาแทนเลอนะยังไม่พอนะครับมันไปเห็นแล้วล่ะแต่มันยังไม่ตัดนะก็ัเวลาตัดจะมีกระบวนการนะครับมีกระบวนการของอริยมัติครับเรื่องวิถี มีวิถีจิตครับก็เห็นมันมันนอนอมยิ้มมีแสงสว่างนีออนล้อมรอบตัวนี่เป็นอย่างนั้นมันจะมีความสุขนะให้รู้ว่าจิตพอใจจิตมีความยินดีพอใจในความสุขอันนั้นให้รู้ทันนะถ้าไม่ทันเดียวติดนอนทีไรก็ถอดจิตโอ้สบายแล้วหลวงพ่อก็ทำเป็นอีกสภาวะหนึ่งครับตอนทำสมาธิในรูปแบบ แต่จิตมันเหมือนว่ามันนิ่งมันมีความรู้สึกแ um, บบบางๆแต่ว่าเบาๆแต่ครนี้พอมีสมมุติว่ามีอะไรมากระทบเสียงมากระทบเนี่ยผมจะเห็นมันจากความนิ่งอ่ะมันมีฟองอากาศเหมือนจิตมันผุดขึ้นมารับแต่ว่ามันแตกสลายไปก่อนไม่รู้ว่าคือถ้ามันผุดขึ้นมานะสิ่งมีเสียงมากระทบที่แรกจิตยังไม่รู้ว่าเสียงนะมันจะไหวตัวขึ้นข้างในก่อนไหวแล้วก็ผุดขึ้นมานะพอผุดขึ้นมาแล้วค่อยมีจิตอีกตัวหนึงไปรู้ว่ามีเสียง เห็นไหมแล้วแต่ตรงที่รู้ว่าเสียงยังไม่รู้ว่าเสียงอะไรนึกออกไหมต้องมีส่งสัญญาณมาที่ใจเราอีกทีสัญญาผุดขึ้นมาก่อนถึงจะรู้ว่าโอยนี่เสียงขโมยงัดบ้านนะเนี่ยคราวนี้จิตค่อยตกใจทีหลังมันมีกระบวนการทํางานของมันนะดีที่เห็นเห็นไหมมันทํางานได้เองครับเห็นครับนั่นที่เราจะดูเนี่ยนะไม่ใช่ดูเพื่อเห็นกระบวนการเฉยๆนะเราจะดูให้เห็นไตรลักษณ์ งั้นถ้าเราพอนาจนเห็นวิถีของจิตแล้วเนี่ยก็เห็นสิจิตทํางานสืบทอดส่งเรื่องกันนะตามหน้าที่ของจิตแต่ละดวงแต่ละดวงนะเราสั่งไม่ได้เขาทําของเขาเองเขาไม่ใช่เราหรอกดูเพื่อให้เห็นตัวนี้นะครับไม่ใช่ดูเพื่อกูเก่งเว้ยกู ด, ดูได้อยละเอียดนะครับแล้วออตอนทําสมาธิในรูปแบบเนี่ยมันชอบ อ, อมันชอบคือมีตัวผู้รู้จับกับความว่างอยู่อืมจับอยู่แล้วครนี้ มันปล่อยความว่างเองออืมันปล่อยแล้วมันเหมือนว่ามันจะร่วงลงสู่หลุมดาเหวให้มันลงไปมันกลัวก่อนนะครับมันเลยลุกขึ้นมายึดค ว, ความว่างต่อถ้ากลัวจิตก็ถอนหลบ อ, อ, อย่าไปกลัวมันไม่ตายหรอกอความว่าง<อ>ไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยนะพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกสุญญาตาสรนังคาฉามิไม่มีครับขอบคุณมากครับตัวนั้นไม่ใช่มหาสุญญาตานะ ตัวนั้นชื่ออากาศาเป็นช่องว่างนะหรือถ้าเพิกอากาศาไปนะจะเห็นมีความรับรู้อยู่ในช่องว่างตัวนั้นชื่อบินยานวิญญาณัญจายตนะถ้าเพิกทั้งช่องว่างนะเพิกทั้งวิญญาณนะจะเข้าสู่อากิญจยายตนะจนะขึ้นอรูประชานไปอย่าไปนะถ้าไปแล้วพระศียริยาเมตรตรมาตรัสแล้วท่านนึกถึงเราแล้วท่านจะสลดสังเวชว่าตายละ ว, ว่าสอนไม่ได้ นะไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมกูกต้องไม่มีลิ้นไม่มีกายเหลือใจอันเดียวนะอย่าไปทางนั้นนะอ้อมน้ำมสการนะหลวงพ่อผมมาใหม่อรัผมฟังก็ชีช้หลวงลพ่อมานานแล้วแล้วก็ยังไม่มีโอกาสมาส่งกันบ้านเห็นไหมว่ากายกับใจคนละอัน ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นเลยคือความรู้สึกมีฮะมีมีบางๆงอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเรารู้ด้วยความรู้สึกนะเราไม่ได้เห็นแบบถอดจิตออกมาแล้วเห็นร่างกายไปเดินอยู่ต้นนะเห็นด้วยความรู้สึกอย่างนี้แหละที่เรียกว่ามันแยกขันอ่ะครับหลวงพอมีบางทีเรารู้สึกว่าคือเราปฏิบัติไอสมาธามานานอ่ะทีนี้มันมีแต่ความว่างๆแบบที่หลวงพ่อพูดอ่ะคือปฏิบัติทำมานานแต่มีดู้ปลเวลาทําสมาธินะเราต่อยอดได้ ยมพานาจนร่างกายหายไปไหมไม่ไม่ถึงอ่ะเคยมีบางครั้งอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นที่เคยพูดกับหลวงพ่อบอกว่าเออปฏิบัติแล้วมองเลยมันหายไปหมดเลยคือจิตอดีตเป็นไม่รู้อะไรเงี้ยเลยถ้าถ้ายัางเหลือจิตอยู่อันเดียวนะแล้วอย่างอื่นหายไปหมดเลยเนะี่ยแล้วพอจิตถอยออกมานะร่างกายปรากฏขึ้นโลกธาตุปรากฏขึ้นมันจะรู้ขึ้นมานะว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันน้ําจะแยกขันได้เล ย, ยตอนนั้น<ด>ปฏ<ด><า>ิบติมาดเ <มา S 1> ลย ปฏิบัติมาแล้วมันรู้สึกกลัวฮะกลัวว่าอุนมันมันบุบไปฮะมันเห็นไม่เห็นมีอะไรไม่มีตัวเราไม่มีอะไรเลยเออยังไม่ละกิเลสครับอย่าให้มันไหลไปนะครับสมมติว่าพอทําสมาธิแล้วเนี่ยก็ช่างมันเถอะแต่ตอนออกจากสมาธิเนี่ยดูกายดูใจมันไปเลยให้เห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นอีกคนหนึ่งใจเป็นคนดูนะมันห่างกันนะมันรู้สึกห่างบางๆนะครับหลวงพอมีอะไรแนะนํำหน่อยไหมครับ คือของโยมนะถึงขั้นเจริญปัญญาได้แล้วสมาธิโยมเยอะล้นะโยมเห็นไหมว่าความสุขความทุกข์กับจิตเนี่ยเป็นคนละอันอันนี้เห็นไหมเห็นเห็นไหมกิเลสกับจิตเป็นโคนละอันถ้างั้นดูจิตไปเลยครนะดูจิตชํานาญกว่าดูกายดูจิตไปก็เพื่อให้เห็นว่าจิตเนี่ยเป็นของบังคับไม่ได้ครับจิตนี้นะไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับดูเพื่อให้เห็นตรงนี้นะไม่ใช่ดูเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบนะ เพราะดีมันเป็นของไม่เที่ยงความสุขเป็นของไม่เที่ยงความสงบเป็นของไม่เที่ยงเราไม่เอาของไม่เที่ยงนะรเราอยากอาความจริงครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะอย่างอื่นตายหมดเชิญต่อขอบพระคุณนะหลวงพ่อการธรรมสการ์รรารครับหลวงพ่อยกมางี้ไม่ต้องกำนมือย ก, ถ, รรกถือถือมือดิ่งับเหมือนร้องคาราวเกีก็ตอนนี้ลูกทําอนาปานสติกกรรมฐานอยู่อะนะครับอนาปานสติกกรรมฐานครับ ออธรรมานาปนสติกับของหลวงพ่อจะมีหนังสือเล่มเล็กๆ เ, เล่มหนึ่งะนะครับซึ่งมีการดูหรือการอธิบายชี้แจงไว้เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ผมติดพุดโทโธกับลมหายใจเนี่ยโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็เกิดขึ้นเองโดยที่บางครั้งเนี่ยสติดะลึกรู้ว่าพุโทโธเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรู้แล้วคือแน่นอกแน่นอกกับลมหายใจแล้วก็พุโทโธไปด้วยกัน3มอย่างนะครับขนาดขีม่มอเตอร์ไซ หรือขนาดใจใจกำลังานหรือประกอบกิจการงานจิตมันไม่ส่งออกนอกเลยไม่ยอมส่งออกนอกเลยก็บางครั้งแน่นที่หน้าอกเหมือนจะระเบิดนะครับแต่บางครั้งก็เบาๆแบบสบายอแต่ทุกครั้งที่มานี่รู้รู้ตลอดหลวงพ่อจะเขียนว่าในในอาณาปันสติกกรรมฐานเนี่ยคือมันเป็นแจกแจงหรือพิกแพงในหลายรูปแบบมากซึ่งจะไปเป็นทั้ง กายาาพิจารณากายในกายเวชนาเวชนาจิตในจิตธรรมในธรรมแต่หลว ง, งพ่อชี้แจงแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจหร<ม>ือคิดมากนักของโยมโยมันติดเพ่งจิตมันเป็นล็อกอยู่ต้องหาทางแก้ตัวนี้ก่อนการที่จิตมันน้อมเข้าไปแล้วอยู่ตรงนี้นะมันจะไม่เดินปัญญา จ, จริงจะนิ่งเฉยเฉยอยู่แล้วเวลาขับรถก็อย่าไปทำอย่างนี้นะเดี๋ยวจิตรวมลงไปนะหายไปเลย <laughs> ปล่อยให้จิตเคลื่อนไหวอย่าบังคับจิตให้นิ่ง <accept ance> เห็นไหมว่าขณะนี้จิตเบิกบานผุดขึ้นได้ <c oughs> เห็นความเบิกบานผุดไหมเนี่ยเฝ้ารู้ไปนะเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกภายในเนี่ยความเบิกบานลดลงแล้วรู้สึกไหมเ <c oughs> นี่ยเจริญปัญญาไปแบบนี้นะถ้าทําสมาธิมากถ้าทําสมาธิมากเนี่ยให้ดูจิตเข้าไปเลยนะเรียกว่าใช้ปัญญาและสมาธิควบกันไปเล ย, เยตอนนี้จิตไปคิดไหม เห็นไหมจิตไป <พอ S 2> คิดให้รู้ทัน ร, รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดแล้วไม่ห้ามมันนะปล่อยให้จิตทํางานไปเรื่อยแล้วถ้าจิตมันติดอยู่ในสมาธิอย่างนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่ว่าดูจิตมันทํางานอยู่ข้างในนี่แหละคือคือตอนนี้คือผมมันอัตโนมัติไปหมดนะครับตั้งแต่อดีตจนที่สภาวะเกิดธรรมนี้ผมเกิด3ามรอบน่าจะพอดีทางที่ทางที่บ้านจิตสบายนี่ไม่ให้พูดถึงอดีตแต่มันเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันไปอะครับตั้งแต่อดีตมาช่างมัน อดีตก็อดีตไปนะเอาปัจจุบันปัจจุบันเรายังไม่พ้นกิเลสเราคอยรู้ทันเราเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยจิตเดี๋ยวก็มีปีติขึ้นมาเดี๋ยวปีติก็ดับเดี๋ยวมีความสุขความสุขก็ดับเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านนี่แต่ความเปลี่ยนแปลงอย่างขณะเนี้จิตไปคิดเห็นเปล่าอย่างนี้จิตฟุ้งซ่านนะเห็นไหมไม่ห้ามมันปล่อยให้มันทํางานไปนะถ้าจิตไหลไปคิดรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดจิตมีปีติรู้ว่าปีติ ดูออกไหมจิตที่ไหลไปคิดดูกครับอย่าไปบังคับมันดูไปจนกระทั่งเห็นความจริงเลยว่ามันทํางานได้เองจําประโยคนี้ไว้นะดูไปจนเห็นว่ามันทํางานได้เองอย่าไปบังคับให้มันเลิกทํางานซะแล้วตัวพุทโธกับรู้ลมหายใจกับเน้นน่าอกเนี่ยครับผมจะสร้างสรรค์เกิดจากความโลภนะเป็นความโลภของเรานะเป็นผลจากความโลภเมื่อเราไปบังคับตัวเองบังคับเมื่อไหร่ก็แน่นเมื่อนั้น บางทีมันมาเบาๆแต่บางทีมันมาหนักมากผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันอัตโนมัติเปนหมดขนานี้ตะกี้จิตไม่เหมือนกันถูกครับเมื่อกี้จะเบาๆนิดๆแต่ตอนนี้จางแตอนนี้ยดีกว่าครับะจิตเจริญปัญญาก็ใช้จิตธรรมดาอย่างนี้แหละถ้าจิตจะเตกี้ล็อกอยู่เฉยๆมันเข้าไปเองครับหลวงพ่อผมก็เลยไม่รู้จะถอนยังไงไม่ต้องถอนนะครับไม่ต้องถอนแต่ว่ามันเข้าได้มันก็ออกได้ใช่ครับนะดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปเวลาออกแล้วจะขี้โมโหนะครับ เพราะว่าพวกที่ติดเข้าไปล็อกช่องนี้ออกมาร้ายทุกคนน่ะแล้วการพิจารณาของสติปัฏฐานสี่นี่คืออยู่ในอนาปานี่ตัวเดียวกันอย่างที่หลวงพ่อชี้แจงอธิบายในเล่มเล็กหนังสือเล่มเล็ ก, ล ก, ลกใช่ไหมครับคืออนาปานี้นะถ้าทำได้มันไม่ใช่กรรมฐานพื้ น, พ, นพื้นหรอกกรรมฐานอันนี้ระดับพระพุทธเจ้าเล่นครับอ่ะคนอินบ้างนะ กราบหลวงพ่อครับทรงการบ้านในรอบ3ปีครึ่งครับก็ตอนนี้ดูกายเคลื่อนไหวแล้วก็จิตเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกตัวไปเรื่อยไม่เกิดจิตถึงฐานไหมตอนนี้ไม่ถึงครับนะให้รู้นะจิตไม่มีแรงครับคือผมมีปัญหาคือจิตมันเคลื่อนไหวเร็วมากแล้วผมก็รู้ฐานมันไม่ใช่ตัญหานะจิตต้องเคลื่อนไหวเร็วครับใช่ถ้าจิตเราเคลื่อนไหวอย่างนี้ของปลอมนะคือสปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมทําสมาธิไม่ได้เลยเพราะมันเคลื่อนไหวเร็วแล้ว คืจะเป็นโน้มจิตให้อยู่กับลมหายใจก็อยู่ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันก็เคลื่อนละแล้วก็คอยรู้ทันรู้รู้ทันน ะ, จะใจจะค่อยตั้งมัน่นขึ้นมารู้ทันว่าใจไม่ตั้งมัน่ น, นครับทีนี้คือคือเรารู้ทันนี้คืออย่างที่หลวงพ่อบอกคือจิตหลายเรารู้ทันเจิตมันจะตั้งมั่นเองแต่คือบางทีเรามันอยากจะลองนั่งสมาธิเพื่อจะให้แบบมันพักผ่อนเพราะว่าหลวงพ่อเคยตอนถ้าจะนั่งอย่างนั้นนะบริกรรมไปเลยนะลื ม, รรมทุกอย่างไปเลย มันเป็นภาระฮหลวงพ่อพุทโธก็ไม่ได้เป็นสิเป็นภาระเป็นภาร ะ, ะนะแต่แต่ต้องเคี่ยวเข็นมันถ้าอยากได้เพราะว่าสมถะทั้งหมดนะก็คือ<ช>พบพบหนึ่งถ้าเราจเจริญสติปัญญามาพอสมควรเราจะรู้เลยว่าการน้อมจิตเข้าไปทําสมถะกรรมฐานคือการสร้างพบมันก็คือการสร้างทุกข์นั่นแหละของอันนี้คนที่ไม่ได้เจริญปัญญาแล้วก็เห็นว่าเป็นความสุขแต่ถ้าเราเจริญปัญญาแล้วมันจะเห็นว่าเป็นทุกข์ แต่ว่าถึงจะทุกข์มันก็ต้องอาศัยนะอาศัยเพราะงั้นต้องน้อมไปก็คือจะถามหลวงพ่อว่าผมจะเป็นต้องทําสมาธิไหมเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะจิตสงบหรือไม่สงบไม่เป็นไรคือผมเดินจงกรมวันละสามชั่วโมงอย่างน้อย น, นั่นแหละเคลื่อนไหวอย่างนี้ถือว่าเป็นการทําสมาธิได้ไหมครั บ, รบเพราะว่าเคลื่อนไหวเราก็รู้ทำตัวอยู่รเรื่อยๆเวลาที่คุณเคลื่อนไหวเนี่ยบางครั้งจิตก็ออกมาเป็นคนดูเห็นรูปเห็นนามมันทํางานตรงเนี้เดินปัญญาครับแต่ไม่ได้เดินตลอด ดวกไหมบางทีจิตก็ไปหยุดนิ่งอยู่เฉยๆตรงที่จิตไปหยุดนิ่งไม่ได้เดินตัญญาขณะนั้นจิตทําสมถะอยู่คือมันแวบเดียวครับผมเพราขชันายใจเข้ายาวๆเนี่ยมันแวบหนึ่งแล้วมันก็หลุดไปที่อื่นละคือเราเหมือนกับว่านานกว่าปกตินิดหน่อยอืเพราะปกติี่ยมันจะเคลื่อนไหวมันเหมือนกับแทบจะวินาทีหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลนะมีอยู่ช่วงตอนที่หลวงพ่อเจอหลวงปู่ดูลแล้วเนี่ยหลวงพ่อทิ้งสมถะไปเลยตรงนั้นทําพลาดเหมือนกันนะ แต่อาศัยว่าทําสมาธิมายี่สิบสอปีกําลังสมถะมีมากไม่ได้ทําอยู่สองปีเนี่ยยุ่มทมาได้เรื่อยๆนี่ทําอยู่สักเดเดือนที่ไปหาหลวงปู่ในวันหนึ่งไปส่งเงินบ้านหลวงปู่บอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่จิตเข้าสมาธิหลวงพ่อไปบอกท่านบอกว่าหลวงปู่ครับผมไม่ได้ทําสมาธินะผมดูจิตอยู่นึกว่าการทําสมาธิต้องไปนั่งทําอานาปานสตินะตอนนั้นอะ หลวงปู่บอกว่าตรงที่ดูจิตนั่นแหละจิตจะได้สมาธิอันตโนมัติของคุณมันมีสมาธิอยู่มันไม่ใช่ไม่มีอ๋อครับผมก็ใจแล้วครับหลวงพ่อเพราะว่าคือบางทีเราเนึกว่ามันจะต้องแบบจ่ออยู่นานๆในที่มลมหายใจมันลงเป็นขณะขณะอ๋อเป็นขณะขณะนี่มันมีอยู่ตลอดครับหลวงพอ่อนั่นแหละมันทําอยู่แล้วครับที่หลวงพ่อครับคือผมคุยกับเพื่อนที่เป็นสายธรรมนะฮะเขาเพิ่งมาส่งการบ้า น, านหลวงพ่อคือคนนี้เขาบอกเขาสละคันห้าละ แต่ทีนี้หลายนี้เขามาในลักษณะสมถายานิการคือเขาแบบจะแค่ว่าจะเพ่งอยู่เรื่อยๆอของผมเขาก็จะเห็นแต่ลักษณะความทุกข์ทุกข์นี่มากหรือเกิดของเขาผมไม่เห็นเลยครับหลวงพ่อไม่จำเป็นแต่ความไม่เที่ยนแล้วก็อนัตตาเออคนละอย่างกันพอเขาก็บอกว่าอ๊ีมันต้องเห็นทั้งสามุมมองเลยไม่จําเป็นเห็นไปบอกเขาว่าเข้าใจผิดแล้วครับพวกที่ทําสมาธิมากมันจะเห็นทุกข์ครับ นะของเราไม่ได้ทําสมาธิมันจะเห็นอนิจจังอนัตตาผมเห็นแต่สุขอะหลวงพ่อเออก็ช่วยไม่ได้คนมันมีบุญอะแต่นาทีสุดท้ายที่จะข้ามโลกนะมันจะทุกข์นะอ่ะการหลวงพ่อน่ะค่ะฉันไม่ได้มาส่งการบ้านนานแล้วนะคะวันนี้ฉันจะส่งว่าการเป็นบัตรฉันจะดูจิตอยู่ตลอดนะคะอืปฏิบัติจะดูจิตดูแล้วก็มันก็ ดูแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วจิตมันนิ่มนวลดีนะคะแล้วแล้วบางจิตมันนิ่มนวลแต่ว่าบางครั้งจิตมันก็เดินออกเหมือนกันแต่เดินออกเราก็รู้นะคะอืเรารู้เข้าแล้วแล้วไปปฏิบัติที่ที่ตำนักเออรู้สึกว่าจิตมันมันมันไม่เข้ามันวุ่นอยู่ในเนี้ยแต่ไม่ออกมันมันวุ่นอยู่ในเนี้ยไม่ออกพอฉันกลับมาบ้านกลับมาบ้านก็มานั่งอยู่จิต จิตรู้สึกมันนิ่มนวลเลยค่ะจิตมาเข้าที่นิ่มนวลแล้วเห็นการจิตเขาทํางานเลยอจิตก็ทํางานเห็นเขาทํางานนี่แหละที่หลวงพ่อพูดนจิตที่มีสมาธิถูกต้องนะมันเบามันนิ่มนวลนะผ่อนโยนแล้วเราเห็นการเข้าก็เดินเข้าเดินออกเราเห็นแล้วจิตตัวนี้เราก็ปล่อยวางเราได้แต่เป็นคนนั่งดูเขาอย่างใช่ใช่ถูกไปเลยค่ะเราเป็นคนนั่งดูเขาแล้วแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะจัน ไม่สบายมาสองวันจิตตัวนี้มันก็เข้าสมาธิแต่เราไม่ได้ใหเนะ้เขาเข้านะเขาเข้าเขาเองเขาอยู่ตลอดเวลาเออเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็มาเราก็เห็นสังขาร น, นะคะรู้สึกมันมีความเบื่อหน่ายสังขารเดี๋ยวมันเจ็บนู่นเจ็บนี่มัน ม, มันก็มีความเบื่อหน่ายดีนะดูไปด้วยแล้วอย่าให้หลวงพ่อแนะนำต่อไปตดูตัวใจที่เป็นกลางอย่างนี้แหละนะดูไปด้วยต่อไปเราจะเห็นโลกนี้ว่างเปล่าโลกนี้ไร้สาระ จะดูจิตอยู่ตลอดเลยค่ะอยู่บ้านค่ะดีขณะนี้ดูหลวงพ่อแล้วไม่ได้ดูจิตก่อนนี้มาหาหลวงพ่อตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นโอ้โหต้องระวังจิตกลัวจิตตกอกนอกรูหลวงพ่อจะทักอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่เห็นไหมพอมาเจอตัวเนี่นะไม่ตื่นเต้นเลยเดี๋ยวนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเนี่ยนักปฏิบัติต้องอย่างนี้นะค่ะไม่กลัวหรอกอย่างอาจารย์มหาบัวนะขึ้นชื่อเลยชาวพัตตุกนะ เวลาหลวงพ่อจะไปหาท่านเน่ะก่อนเนี้ยเสียวไสเหมือนกันนะแต่ว่าพอเข้าใกล้เราไม่กลัวนะลุยแหลกเลยเราอย่าเอาธรรมะกลัวอะไรใจที่มันภาวนานะจะองอาจห้าวหาญอย่างนี้แหละใช่มันมีพลังอย่างนี้เิพูดกับดูเรื่องพระเภทหนูขาดกำลังใจฟังแล้วอ่ะต่อไป นมมาส ก, การค่ะ ห, หลวงพ่อโยมเห็นโกรธ ด, ดับค่ะดีสิแล้วก็เห็นความหิวเห็นหรือเปล่าว่าใจเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันค่ะดีแล้วล่ะไปทําอีกค่ะแต่ว่ามันมีอันนึงก็คือว่าอยู่ดีๆมันก็หยุดเจริญจิตเฉยเฉยเฉยก็รู้ว่ามันเฉยสิไปห้ามมันเลยถามตัวเองว่าทําไมไม่เจริญจิตทําไมไม่เจริญจิต เอาว่าไม่เอาอะไรก็พุโทโธก็แล้วกันเออถูกแล้วถ้ามันไม่ทำอะไรก็พุโทโธไว้ถูกแล้วแล้วมันมีอีกอันหนึ่งนะคะออบางทีเหตุการณ์ที่ผิดปกติเกิดขึ้นและสิ่งที่เราควรตกใจไม่เฉยฉยบางทีของไม่ควรตกใจก็ตกใจออมันติดเฉยป่ะคะถ้าตอนนี้เราติดเฉยแก่ยังไงนะคะก็รู้ว่ามันเฉยสินะอ๋อ อย่างนั้นก็ขอคำแนะนำค่ะไปฝึกต่อนะแต่แตอย่าไปบังคับใจให้นิ่งๆปล่อยให้มันทำงานไปแล้วเราเป็นคนดูน ะ, ะแนะนำจบอ่ะต่อไป อ, อีกนิดเดียวค่ ะ, ะมีนิดหนึ่งอ่ะว่ามันสิ่งที่โยอมแก้ไม่ได้คือนั่งก็หลับก็เดินสิเดินจงกลมกะหลับฝันด้วยฮะไม่เป็นไรหลวงพ่อก็เคยเป็น เออก็ทําต่อไปทำเออหลับก็หลับ嘛หลวงพ่อเคยเป็นถึงขนาดเดินจงกรมก็หลับค่ะนั่งขาดสมาธิเพจก็หลับนะเป็นเรื่องไปราวเลยเออช่างมันแต่ว่าไม่เลิกค่ะทำไปเหอะนมัสการจิตมันเบื่อจิตมันเห็นความจริงเยอะขึ้นนะมันเบื่อจะหลบค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะว่าไงตื่นเต้นตื่นเต้นมากค่ะ ค่ะคือว่าทุกวันนี้ที่หนูทำก็คือทำสมาธินะคะแล้วก็จะได้เห็นว่าจิตมันแวบไปคิดบ่อยๆคะ่ะแล้วก็จะเห็นว่ากายเราก็ยังหายใจอยู่ก็ยังอยู่ตรงนี้แต่จิตมันก็ไปตรงนู้นตรงนี้บ่อยมากให้รู้ะะทันเวลาเขาไหลไปน ะ, ะให้รู้ทันอย่างนั้นแหละจิตหนยูยังสมาธิยังน้อยไปนะ ใจมันฟุ้งซ่านขึ้นมาให้เรารู้ว่ามันฟุ้งน ะ, ะมันไหลไปให้เรารู้ว่าไหลไปหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ อ, อยู่กับลมอยู่กับพุโทโธอยู่ะอะไรก็อยู่สักอย่างหนึ่งะนะมันจะช่วยให้สมาธิเราดีขึ้นแก็เท่าที่เห็นตัวเองก็คือมีฉันทนในการทามากขึ้น<ด>เรื่อยๆยิ่งเราภาวนานะเราเห็นผลนะการภาวนาของเรามันยิ่งเข้มข้นขึ้นเหมือนเขาปล่อยจรวดเหมือนกัน จรวดตอนสตาร์ทใหม่ๆน่าอืดมากเลยนะแล้วยิ่งไปยิ่งเร็วนะะเวลามันจะหลุดโลกนี้เร็วมากเลยก <c oughs> ารพัฒนาก็อย่างนั้นแหละ <c oughs> ค่ะหะ <c oughs> ัดใหม่ๆน่าปลกจะกระตอกกระแตเพชรสก้าหนึ่งนะโยอย้ยยากเย็นแสนเข็น <c oughs> <c oughs> อะต่อไป <c oughs> กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเออขอให้หลวงพ่อดูว่าลูกปฏิบัติเป็นอย่างไรแล้วก็ให้ต้องดูด้วยตนเองสิต้องแก้ไขบ้างไหมต้องดูเอาเองนะ ดูเวลาจิตผ่องใสรู้ว่าจิตผ่องใสจิตเศร้าหมองรู้ว่าจิตเศร้าหมองอนะดูไปเรื่อยดูทำตัวเป็นแค่คนดูเราไม่ได้ภาวนาให้มันใสไม่ได้ภาวนาเอาสุขเอาดีภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปเรื <นะ S 1> ่อยดูอย่างนี้เรื่อยๆหลวงพ่อมีอะไรจะให้คาแนะนำนี่ไงแนะแล้วนะจิตหมองก็รู้ว่าหมองนะ จิตฟองใสรู้ว่าฟองใสจิตเป็นไงรู้ไปทำตัวเป็นคนดูไปได้จนวันหนึ่งปัญญามันก็ปิ้งขึ้นมานะมันไม่มีเราตรงไหนเลยนะกลับในมรสการค่ะขอโอกาสส่งก้านขังแรก ก่อนหน้านี้ก็ปฏิบัติแบบเจริญสติปัฐาน4มาค่ะแล้วก็ได้มาฟังมีโอกาสได้ฟังของซีดีหลวงพ่อมาประมาณกับปีทําให้การปฏิบัติจเจริญพัฒนาไปได้เร็วมากค่ะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเราเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว<า>สิถ้าฟังที่หลวงพ่อพูดแล้วเข้าใจนะการพาวนาจะไม่ช้าเลยเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าน ะ, ะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วเลยนะ คราวนี้เมื่อสมเดือนที่แล้วก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมด้วย่นะหนึ่งในนั้นก็ได้ไปสวดสติธรรมมาด้วยค่ะแล้วก็การที่เราได้ไปสมเดือนติดมาเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปมากเราเราห่างจากโลกมากขึ้นค่ะเรามีความสุขขึ้นอย่าประมาทนะค่ะก็ก็โลกยังยดึงดูดได้อยู่ค่ะใช่แล้วก็พอเรารู้ว่าจิตตั้งมั่นก็คือหนูจะฝึกแบบอนาปปนสติ ฝึกพอถ้าเกิดในที่ที่มันสงบอากาศบริสุทธิ์เนี่ยเราสูดลมหายใจเข้าไปเรารู้เลยว่าเรามีความสุขหายใจออกก็ลมร้อนออกก็คือรู้แยกคาดแยกขันได้ทําไปจนมันลมหายใจมันสั้นลงสั้นลงอยู่ที่ปลายจมูกมีแสงสว่างแต่เราไม่สนใจเราก็รู้ว่าเรารับรู้อย่างนั้นค่ะแล้วก็ตัวเบาจนมันไม่มีลมหายใจเลยมันเป็นปิติค่ะนะ ตอนนี้ก็แต่ไม่ได้สนใจก็คือที่ต่องพ่อเคยบอกก็คือดูไปอย่างเดียวจนมันไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วก็ได้ยินแต่เสียงหัวใจเต้นเป็นจังหวะสลับกันไปมากับที่หน้าผากมันจะเหมือนมีชิพจอร์นตุบตลอดดูไปดูไปเรื่อยๆค่ะคือตอนนั้นรู้สึกมีความสุขค่ะที่มากอย่าอยากได้นะถ้าอยากแล้วมันไม่มาค่ะก็ไม่อยากแต่คือเรารู้ว่าถ้าเราเพียรปฏิบัติแบบต่อเนื่องมันจะเกิดเอง เอาพอกลับมาในชีวิตประจาวันก็ตั้งใจตื่นเช้ามาปฏิบัติทำสมาธิให้มีแรงดูกายดูใจในชีวิตประจาวันค่ะส่วนตอนเย็นก่อนนอนทาสมาธิได้ก็ทำขี้เกียจก็เพียงจะทำค่ะเราอะไรนะทำได้ก็ทำขี้เกียจไม่ทำอะทาค่ะเพา่ต้องทำสิทาไปคือเหมือนพยายามทำให้ต่อเนื่อค่ะพราะถ้าต่อเนื้อจะทำให้เราไปได้เร็วมากใช่ค่ะ ที่เราต้องทำต่อเนื่องเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อว่าต่อเนื่องแล้วจะดีอย่างนู้นอย่างนี้หรอกแต่ทั้งๆ ท, ที่เราทำทุกวันเจริญไปเรื่อยๆนะแล้วยังทำอยู่อย่างนั้นแหละก็เสื่อมต่อหน้าต่อ ต, อตาได้<ะ>นั่นแหละดีตรงนั้นอนะ่ะมันดีตรงที่ว่ามันจะสอนเราสอนมวยเรานะว่า<ะ>แกทาไม่ได้หรอกข้อนี้ที่กลัวก็คือหนู ก็มีความกลัวอย่าว่ากลัวจะติดสุขมากเกินไปเพราะว่าไม่ไมต้องกลัวนะถ้ามีความสุขแล้วมีความพอใจเกิดขึ้นรู้ว่าพอใจจะไม่ติดภ<ะ>าวนานแล้วจะมีความสุขเยอะแยะเลยใช่คนะ่ะติดหรือไม่ติดอยู่ที่ว่าราคะเกิดขึ้นแล้วรู้หรือไม่รู้ะนะถ้ามีความสุขเกิดขึ้นความสุขไม่ใช่กิเลสจิตที่เป็นกุศลมันมีความสุขในตัวของมันได้<ะ>นะเราอ่า ตื่นแต่เล็กน้อยอ่ะคร <c oughs> าวนี้ขอคำแนะนะขอกาบ้านกลับไปทำต่อไปทำต่อเอาสินะทาจิตต้องถึงฐานนะจิตถึงฐานหรือเปล่าตอนนี้ถึงไม่ค่อยดีค่ะจิตออกนอก <c oughs> ใ, <ช>ให้รู้ทันนะ อ, ะ อ, อขอ <c oughs> อีกเลงว่ำไปก็ขอ กราบขอขมาหลวงพ่อมาอนโอกาสนี้ก็คือทัานหนูเคยได้สงสัยหรือล่วงเกินในองค์พระพทุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะก็ขอกราบขอขมาพระหวงพ่อมานอาโอกาสนี้ค่ะเดินนะขมามานะดีเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นแล้วนะแต่ก่อนขออ้โหสิก ร, รมพุทธศีกรรมัมกัมขอกันไม่ได้ขอขอมาได้ถูกต้องแล้วนะกราบนะิมัสการท่านพระอาจารย์ปราโมทเจ้าค่ะอะส่งสภาวะธรรมการบ้านเมื่อสามวันที่แล้วนะเจ้าค่ะ คือเห็นเห็นจิตที่เศร้าหมองอก็ดูจิตที่เศร้าหมองแล้วออกจากวัดมานะเจ้าคะมาตั้งหลักทำสมถะที่บ้านก็ยังยดูเห็นความเศร้าหมองที่กูกาลมอยู่จึงเปิดซีดีของคุบาจาร์ซึ่งท่านอัญเชิญพระบรมศาลิลิกธาตุมาจากอินเดีย อ, อดีตขันท่าในอดีตเคยรู้สึกว่าทำไมต้องทำอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้จิตมันโง่มันไปตาหนิแล้วก็ขอขมาณเวลานั้นเนื่องจากตัวบาป แต่วันนั้นเนี่ยจิตมันพลิกมันร้องไห้มันทราบซึ้งว่าทําไมอ่ะท่านถึงต้องทําอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้กราบขอเข้ามาท่านณเวลานั้นนะเจ้าค่ะแล้วมันร้องไห้มากเลยในความร้องไห้นั้นมันเป็นปิติที่พระเจ้ายิ่งใหญ่มากถ้าเราไม่เจอคําสอนท่านเนี่ยเราน่ากลัวนี่เริ่มอินแล้วเจ้ะคะเออต้องไม่อินนะแล้วในในปิตินั้นไม่ชีเห็นความเศร้าครุกอยู่ด้วยเจ้าค่ะอันนี้เป็นการบ้านเมื่อสามวันที่แล้วแล้วไม่ชีเห็นจิตที่เบา กับจิตที่ไม่มีน้ำหนักเอ ม, มากขึ้นนะเจ้าค่ะดูไปเรื่อยนะเห็นแต่ของบังคับไม่ได้มีแต่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเจ้าค่ะดูอย่างนั้นเลยก็ใช้ตัวรู้เป็นหลักให้ให้รู้ทัน<ด>ใจที่โลภนะ่ะใจที่มันอยากอย่างอยากได้ผลอยากอะไรเนี่ยให้รู้ทันมันภาวนาไปสบายๆจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ภาวนาไปเรื่อยถือว่าบูชาพระพุทธเจ้านะเจ้าค่ะแล้วการภาวนาจะราบรื่น ถ้าเราลุ้นอีกนีิดนหะน่นะอยเกือบได้แล้วอะไรเงี้ยโอ้ยอยากเหมือนว่าไม่เห็นตัวนี้แต่เห็นแต่ว่าทําไมมันยากจังแล้วก็ต้องทําต่อเจ้าค่ะใจเป็นโลภเจ้าค่ะจะดูไหมกลาวนมั ส, สรรการหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วมัศการค่ะหลวงพ่อคือปฏิบัติไป น, นะคะแล้วเกิดสภาวะมันเหมือนหวงโหงอะคะ่ะโอ้หวงโหว ง, งนะงแต่งหรือเปล่าคะโหวงโหวงก็ปรุงแต่งไม่หวงก็ปรุงแต่งนะคะ ก็แค่รู้ไปหวงโหวงก็ไม่เที่ยงค่ะะแต่อย่าน้อมใจไว้ให้หวงโหวงน ะ, ะอย่าไปแกล้งทํามันเป็นของมันเองไม่เป็นไรแล้วมันหายไปก็ไม่เป็นไร ะ, นะมันไม่ดีมันไม่เร็วมันเป็นแค่สภาวะอันหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปยังใจอยากพูดอะไรเงี้ยบางทีอยากพูดรู้ไหมเออต้องให้รู้ทันนะะนะนแล้วบางทีมันเหมือนกับ <c oughs> ตอนนั้นอยู่สี่มีคนอยู่ด้วยแต่เหมือนแบบ มันเวมืองวางไปหมดเออให้รู้ทันนะใจชอบลำพึงลำพันก็ต้องรู้นะเอี่ยงถ้าใจเรามันชอบลำพันอย่างเงี้ยนะให้รู้ทันมันเลยอย่าไปยอมมันแล้วเวลานั่งสมาธิไม่สงบเลยค่ะไม่สงบเหรออย่าไปอยากได้สงบตีก็นั่งให้สบายเดี๋ยวก็สงบเองถ้านั่งสมาธินั่งเคล็ดลับที่จะทําความสงบอ่ะก็ต้องสบายทําใจสบายหายใจไปสบายขนลุกละ นแล้วเห็นแบบความขี้เกียจของตัวเองด้วยค่ะโรคเนี้ยโรคแสดงแต่ก็พยายามนั่งนะะต้องสู้นะค่ะเหมือนแ่บไฟไหม้บ้านแล้วเออขี้เกียจวิ่งหนีโอ้ไม่ได้น ะ, นะวะัดตากนี่ทุกนะใช่ต้องสู้นะค่ะอืมบางทีก็ท้อแต่ก็สู้ใก<ด>็ทำ ท, ท้อได้ไม่ว่านะล้มลุกคลุกครานได้แต่ต้องลุกขึ้นมาสู้อีก แล้วนั่งสมาธินะคะบางครั้งนั่งไปนั่งไปมันแบบมันเหมือนสว่าง น, นะคะอืมแล้วพอสว่างเราก็ไม่ส่งจิตไปนะสว่างแล้วจิตเราพอใจรู้ว่าพอใจจิตสงสัยว่าจะทําไงดีรู้ว่าสงสัยนะคะพอหันกลับมาดูจิตมันเหมือนว่าหายไปเลยหายเลยน ะ, ะนิมิตทั้งหลายเนี่ยพอเราย้อนมาดูจิตจะหายไปหมดเลยนี่เป็นการพิสูจน์นิมิตด้วยนะอย่าสวชเรานั่งภาวนาอยู่แล้วเราเห็นเทวดามาอยู่ข้างหน้าเห็นผีกนะ็ได้ เป็นผีมันนั่งข้างหน้าเรานะอย่าเพิ่งวิ่งให้ย้อนมาดูจิตก่อนจิตกลัวรู้ว่ากลัวนะย้อนมาดูพอจิตเป็นกลางแล้วย้อนออกไปดูใหม่ถ้ายังอยู่ก็วิ่งได้ถ้านิมิตนักมันจะหายไปเลยอ๋อค่ะแล้วมีจิตตั้งมั่นบ้างหรือเปล่าคะหลวงพอ่อมีไม่มีมันก็ไม่แยกขันสิตอนนี้มีเจริญวิปัสสนาแ ล, แล้วใช่ไหมคะ จะต้องทําอีกนะใจของหนูฟุ้งเก่งใช่แล้วอย่าไปลำพึงลำพันยิ่งถ้าเราเป็นคนชอบลำพึงลำพันนะใจจะยิ่งอ่อนแอลงไปเรื่อยๆแล้วจะยิ่งฟุ้งซ่านนิสัยที่ลำพึงลำพันเนี่ยพยายามตัดทิ้งพยายามละเลเวลามัน<า>อยาก ม, ามันอยากลำพันนะรู้ทันใจที่อยากเนี่ยแ <c oughs> ม่หมักไว้ <c oughs> แล้วใจมันจะแข็งแรงขึ้นนะ <c oughs> ยิ่งเรารำพันมากนะใจเราจะยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆ แนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมคะแค่นี้ก็เยอะแล้วนะ <c oughs> ไม่ทำเอา <c oughs> หมดแล้วหรือครับก็จะขอโอกาสกล่าวเ อ, อ่อถวายทานที่ทุกท่านนำมาถวายในวันนี้นะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัทยทายาธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวกราบสิ้นการลนานเทินยาถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาคารังเอวามวาอิโตทินังเปตานางอุปกัะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนรโสยธามนิโชติระโสยถาสัพีติโยวิวัชชนตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจตตาโรธรรมาวัันตีอายุวันโนสุขังพระลัง